สิอุปาทานสัมปยุตตทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยสี่สิบห้าสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สอง สภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานเกิดขึด er. ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุจด้วยอุปาทานเกิดขึ้นโลภะได้จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจกทิฏฐิเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานและที่วิปยุจจากอุปาทาน อาศัยสภาวธรรมที่ัมปยุดย้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตามสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่จมปยุทธยอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองขันธ์สามโลภะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่สะหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจากทิฏฐิเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองสี่สิบหก สภาวธรรมที่วิปิวจักอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวจักอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตส ม, มุทานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่วิมมปิ ว, วจักอุปาทานเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองจิตตส ม, มตุ ท, ท, ทานรูปอาศัาายโลภะที่วิปิวจักทิฏฐิเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกระตั้ตารูป อาศัยขันหนึ่งที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่สัมปยุจจาขันอาศัยโลภะที่วิปยุจจากทิฏฐิเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สัมปยุทธิด้วยอุปาทานและที่วิปยุทธ์จากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจได้แก่สัมปยุทธ์จากขันและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยโลภะที่วิปยุทธ์จากทิฏฐิเกิดขึ้นสีสเจสภาวธรรมที่สัมปยุทธิด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยอุปาทานและที่วิปยุทิ์จากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจได้แก่ ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่เฉพาะรคกษาด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่จำปยุจ ด, ด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตะสมุฐานรูปอาศัยขันที่จมปยุจ ด, ด้วยอุปาทานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหัวรักด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่จำปยุจ ด, ด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่จำปยุจ ด, ด้วยอุปท า, า, า, ท, าทานและที่ทวิปิยุจจากอุปาทานเกิดขึน้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตาส ม, สมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหัวรักด้วยโลภะ ซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอารมณปัจใจสี <The> ่สิบแปสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุจด้วยอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทาน อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่โลภะอาศัยขันธ์ที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธยอุปาทานและที่วิปยุจจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและโลภะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหรโคตด้วยโลภะ ซึงวิปยุจจากทิฏฐิเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง49สภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่และถึงอาศัยขันหนึ่งที่วิปยุจจากอุปาทานอาศัยขันสองในปฏิสนทิขณะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทาน อาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่สัมปยุจักขันน์อาศัยโลภะที่วิปิยุจากทิฏฐิเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจไดอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจไดอุปาทานและที่วิปิยุจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สห่อรัด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้น และถึงอาศัยขันสองย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนหจจ้าสิาาจจาาทธุปัจจัยมีเก้าวาระอน า, นรรจจาร ม, รรจจมาณ ป, ปัจจัยมีหกวาระมาิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระสมนันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระ ปัญเชียปัจใจมีเก้าวาระอุปัญเสียปัจจัยมีหกวาระบรชาตปัจจัยมีหกวาระอาเสาวนปัจจัยมีหกวาระกรรมปัจใจมีเก้าวาระนิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละเก้าวาระเมฆะปัจจัยมีเก้าวาระสำปรยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจใจมีเก้าวาระ มัติปัจใจมี9้าวาระนัตติปัจจัยมีหกวาระวิคตะปัจจัยมีหกวาระอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ 2. ปัจยะปัจญจิยะหนึ่งวิพังคาวาระนะเหตุตุปัจใจห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่วิปิยุตจักอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุตจักอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปิวิจักุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นใเหตุุกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยนิสสัตตพรมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะอาศายขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้น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 อาศัยขันธ์ที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโลภะที่วิปยุจจากทิฐิเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรมสภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุจด้วยอุปาทานและที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันธ์ที่สัมปยุธทธ์ด้วยอุปาทานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมโธฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สห์โครคด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นละถึงเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะนะอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตระปัจจัยเพราะณนะนะอุปานเนสยปัจใจนัปุเรชาตปัจจัยเป็นต้นห้าสิบสาม สภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณปเ ร, 네ปราชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุติอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุติแจวอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตะปัจจัยได้แก่ ในอรมูปาวจรภูมิโลภะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปิวจักทิฏฐิเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานและที่วิปิวจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนาบเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรมูปาวจรภูมิขันธ์สามและโลภะ อาศาัยขันหนึ่งที่สหโรคขด้วยโลภะซึ่งสัมปะคุด้วยทิฏฐิเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง 54. สภาวธรรมที่วิปิวิจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวิจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่วิปิวิจากอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโลภะที่วิปยุจจากทิฏฐิเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมสภาวธรรมที่สัมปยุจจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นพระณ ะ, ะ, ะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิสัมปยุจจาขันธ์ อาศัยโลภะที่วิปยุจจากทิฐิเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานและที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นพระนภุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปราวจรภูมิขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตรด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง สภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานอาศ to to to ัยสภาวธรรมที่ ส, ส, สัมปชุดด้วยอุปาทานและที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นพระนบุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่วิปยุจจากอุปาทานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นและถึง พระณปัจฉาชาติปัจจัยเพระณะอาศัยวณัจจัยจนะกกรรมปัจใจห้าสิบห้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพระณะกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุทธเจตนาอาศัยขันที่สัมปยุทธด้วยอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุทธจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธจากอุปาทานเกิดขึ้น พระนักกรรมปัจจ mm ัยได้แก่สัมปยุจจะเจตนาอาศัยขันธ์ที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสภาวธรรมที่สัมปยุจจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานเกิดขึ้นพระนักกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุจจะเจตนาอาศัยโลภะที่วิปยุจจากทิฏฐิเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานและที่วิปยุทธจากอุปาทานเกิดขึ้นพระนักกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตธเจตนาอาศัยขันธ์ที่สหรคดด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นยอ่อสองปัจจยะปัจญิยะ 2. สังคยาวาระสุทไนห้าสิห นเหตุป <là> ัจจัยมีหนึ่งวาระนอารรมณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระนับุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนอเสวะณปัจจัยมีเ้าวาระ นกรรมปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยมี9้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนักวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระ พึงทำการนับสองอย่างนอกนี้ชาชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเจสิบเอ็ดอุปาทานะสัมยุญตทุกะสามปัจญาวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ 1, ่งวิพังควาระ เหตุปัจจัยห้าสิบเจดสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานให้เป็นป scores, och, <streaming. S 2> ัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนสัพปติจักรวาระสภาวธรรมที่วิปิยุจจากอุปาทานทำสภาวธรรมที่วิปิยุจจากอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ละถึงทำขันหนึ่งที่วิปิยุจจากอุปาทาน เพืเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในขันธ์ที่วิปยุจจากอุปาทานธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโลภะที่วิปยุจจากทิฐิธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจจักอุปาทานทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุจจักอุปาทานธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สัมปยุจจขันและจิตตสมถานรูปทำโลภะที่วิปยุจจากทิฐิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่สหรัรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิและโลภะธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นห้าสิบแสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยอุปาทานทำสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยอุปาทานและที่วิปยุจจากอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพ ร, ปประาะเหตุตปัจจัยได้แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่สัมปยุทธิโอปาทานและทำภทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองขันสามทําขันหนึ่งที่สหรค ด, ด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและทําโลภะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองสภาวะธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานทำสภาวะธรรมที่สัมปยุท ธ, ธิโอปาทานและที่วิปยุจจากอุปาทาน ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่สัมปยุทธิอุปาทานและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฏฐิและทำโลภะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโลภะทำขันธ์ที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฏฐิและทำหาไทยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สัมปยุทธิโอปาทานและที่วิปยุทธิโอุปาทานทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธิโอปาทานและที่วิปยุทธากอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุต ป, ปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สัมปยุทธิโอปาทานและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่สัมปยุทธิโอปาทานและธรรมะหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันสามและโลภะทำขันหนึ่งที่สหรโครด้วยโลภะซึ่งวิปยุจักทิฐิและธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสอง่อในอารมณะปัจจัยพึงเพิ่มบัญจักวิญญาณเข้าด้วย 1. ปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระห9เหตุปัจจัยมี9้าวาระอารมณะปัจจัยมี9้าวาระ อธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระอันันตระปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอริยตตปัจจัยมีเก้าวาระสองปัจญาปัจญญาหนึ่งวิพังขวาระนเหตุ ป, ปัจใจหกสิสภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทาน ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน้เหตุตกปัจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจจากอุปาทานพึงเพิ่มข้อความจนถึงอิสานิสัตพรมจะขูวิญญาณทําจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทํากายายตนะและถึงขันที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจจากอุป า, า ท, ทานธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น โมหะที่โสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจจะทำขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาที่สหรโคด้วยอุทจจะและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโย่สองปัจจะยปัจจนียสองสังขยาวาระหกสิบเอ็ดนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระ นอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมัันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญะมัญญะปัจจัยมีสามวาระนอุปะนิสยปัจจัยมีสามวาระนาปูเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัจชาชาตตปัจจัยมีเก้าวาระนอเสวะณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระน ม, มัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยวาระพึงทำอย่างนี้เจออุปาทานสัมปยุตตทุกกะ หสังสัถวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้น 62. สภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานเกิดรกนกับสภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานเพราะเหตุตปัจใจได้แก่ละถึงเกิดรกนกับขันธ์หนึ่งที่สัมปยุติอุปาทานมีสามวะะสภาวธรรมที่วิปยุติแจวอุปาทานเกิดรกนกับสภาวธรรมที่วิปยุติแจวอุปาทานเพราะเหตุกปัจใจ เหมือนกับปฏิจจวาระพึงเพิ่มเฉพาะอรูปเท่านั้นสภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานเกิดรักวกับสภาวธรรมที่วิปยุตกอุปาทานเพราะเหตุตุปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระเพึงเพิ่มเฉพาะอรูปเท่านั้นสภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานเกิดรักวกับสภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานและที่วิปยุติอุปาทานเพราะเหตุปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระ เพิ่เพิ่มเฉพาะอารูปเท่านั้นเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหกวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระอนุโลมจบสภาวะธรรมที่วิปยุจกอุปาทานเกิดรคนกับสภาวะธรรมที่วิปยุจกอุปาทาน นเหตุปัจจัยย่อนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนั่นทิปติปัจจัยมีหกวาระนัปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีหกวาระนอเสวนาปัจจัยมีหกวาระนกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีหวาระนั่นชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาะวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระปัจจนียะจบกราร น, นับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตาวาระพึงทำอย่างนี้เจสิเอ็ดอุปาทานะสัมปยุตตาทุกกะเจ็ด ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งเวพังขวาระเหตุปัจจัยหกสิบสาสภาวธรรมที่สัมบยุญติโดยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมบัญญัติโดยอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมบยุญติโดยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมบยุญัตขัน์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมบยุญัติโดยอุปาทาน เป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่จำปญญยุจด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแค่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตกปัจจัยเหตุที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปยุจจากทิฐิและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตกปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เหตุที่สัมปยุติอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติตะขันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยเหตุที่โสโรคด้วยโลภะซึ่งวิปยุติจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโลภะและจิตตะสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยหกสิบสสภาวธรรมที่วิปยุติจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุติจากอุปาทานโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่ เทที่วิปยุ์จากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจโลภะที่วิปยุ์จากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจในปฏิสนทิขณะเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลโลภะที่วิปยุ์จากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจตขันโดยเหตุปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโลภะที่วิปยุ์จากทิฏฐิ E เป Mountain, e. ็นป <Sex. schaut S 1> <finished. S 2> ัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยหกสสภาวธรรมที่สัมปยุตยอุปาทานและที่วิปยุจักอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตยอุปาทานโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่มูหะที่สหรโรขด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุตุปปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล โมหะที่สหรคตรด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจจากทิฏฐิและโลภะเป็นปันจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานและทวิปิยุจจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ส to ัมปยุจด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจจากอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหอรคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจากขัน และจิตตะสมุทฐานนรูปโดยเหตุุปัจจัยอารมณปัจจัย66สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุ ป, ปาทานโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันธ์ที่สัมปยุทธิอุ ป, ปาทานขันธ์ที่สัมปยุทธิอุปาทานจึงเกิดขึ้นเพืงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันธ์ที่สัมปยุทธิอุ ป, ปาทาน ขันธ์ที่วิปยุ์จากอุปาทานและโลภะจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันธ์ที่สัมปยุจด้วยอุปาทานขันธ์ที่สหรคตรด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้น 67. สภาวธรรมที่วิปยุ์จากอุปาทานเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่วิปยุ์จากอุปาทานโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถ พิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารัความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะที่วิปิยุจักทิฏฐิวิจิกิจาอุทจะเมื่อฌานเส่อมแล้วโทมนัสจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความเดือดร้อนพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารนามร์พิจารณาผลพิจารณานิพพาน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 ยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่วิปยุจจากทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทจจะโทมนัตพึงเพิ่มทั้งหมดให้บริบูรณ์เห็นรูปด้วยทิปจักขุพึงเพิ่มข้อความจนถึงกายวิญญาณขันธ์ที่วิปยุจจากอุปาทานเป็นปัจเจกอ่อกที่วิทยานเจโตปริยญาณปูเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปักษญาณ อาณาคตังสยานและอวชนจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจแากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจแจกอุปาทานโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานพิจรารณาทานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่วิปิยุจแจกอุปาทานและโลภะเพราะปรารฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้น ราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปิยุจแจกอุปาทานเป็นปัจจยัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุ ด, ด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจแจกอุปาทานโดยรมะมณปัจจยัยได้แก่เพราะปรารบจากสุหาทัยวัตถุขันธ์ที่วิปิยุจแจกอุปาทานและโลภะขันธ์ที่สหรฆด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจแจกทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้น68ด สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานและเทวิปยุทธ์จากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานโดยอรมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธ์จากทิฏฐิและโลภะขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธ์จากทิฏฐิและโลภะ ขันที่วิปยุจากอุปาทานและโลภะจึงเกิดขึ้นเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรากรขันที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฏฐิและโลภะขันที่สหรตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้น อ, นอธิปติปัจจัย69สภาวธรรมที่สัมปยุจได้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจได้วยอุปาทาน โดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาทิปติอารมณนาทิปติได้แก่เพราะทำขันที่สัมปยุติอุปาทานให้เป็นอารมณ์หนักแน่นขันที่สัมปยุติอุปาทานจังเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่พราะทิปติธรรมที่สัมปยุติอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยทิปติปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลมีสองอย่าง เพื่อรัมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมนาธิปปติได้แก่เพราะทำขันที่สัมปยุทธิอุปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นโลภะที่วิปยุทธิจากทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทานใรูปโดยที่ปฏิปัจจัยอธิปดีธรรมที่สะหรโคด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธิจากทิฏฐิ เป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลมีสองอย่างคือธรรมนาธิปติและสหชาตาธิปติธรรมนาทิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่สัมพยุทธ์ด้วยอุปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สาะรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่ อธิปฎิธรรมที่สัมยุญด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สัมยุญตะขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยอธิปฎิธรรมที่สหรฆด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจจากทิฐิเป็นปัจจัยแห่สัมยุญตขันโลภะและจิตตาสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัย70สภาวธรรมที่วิปิยุจจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปิยุจจากอุปาทาน โดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและจหัชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลออกจากฌานแล้วพิจรารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพล่อเพลินเพราะทําความยินดีเพลิอเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาที่วิปยุจจทิฐิจึงเกิดขึ้นพระอริยะออกจากมักและถึง เป็นปัจจัยแก่ผลโดยธิปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพล่อเพลินจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่วิปิยุจากอุปาทานและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพล่อเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่วิปิยุจากทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานเป็นปจัจจัยแก่จำปิยุจักขันธ์ และจิตตาสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจจะอุปาทานโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมณนาธิปติจจได้แก่บุคคลให้ทานออกจากฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่วิปยุจากอุปาทานและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่วิปิยุจจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจจากอุปาทานโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมนาธิปติได้แก่เพราะทำจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่วิปิยุจจากอุปาทานและโลภะ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สหรโคด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นเจสเอสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานและที่วิปยุจจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาทิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่สหรโคด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ที่สัมบยุติได้อุปาทานจึงเกิดขึ้นเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะทำขันธ์ที่จหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุติจากทิฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นโลภะที่วิปิยุติจากทิฐิจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะทำขันธ์ที่จหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุติจากทิฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่จหรคตด้วยโลภะ ซึงวิปิวจักทิฏฐิและโลภะจึงเก our ิดขึ้นอนันตรปัจจัย7 2สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานโดยอันันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธิอุปาทานซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธิอุปาทานซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยเพื่อเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรฆด้วยโลภะ ึวิปยุจากทิฏฐิที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจเจกแก่โลภะที่วิปยุจากทิฏฐิซึ่งเกิดหลังๆังโดยนันทระปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเป็นปัจเจกแก่วุฒานะโดยนันทระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฏฐิที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดหลังหลัง โดยอนันตรปัจจัยเจสสภาวธรรมที่วิปิยุจักอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจักอุปาทานโดยนันตระปัจจัยได้แก่โลภะที่วิปิยุจากทิฏฐิซึ่งเกิดกลองกอนเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปิยุจักทิฏฐิซึ่งเกิดหลังหลังโดยนันตระปัจจัยขันธ์ที่วิปยุจักอุปาทานซึ่งเกิดกลอกอน เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุจากอุปาทานซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยโลภะที่วิปยุจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่วุานะโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูพาสมาบัติโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโลภะที่วิปยุจากทิฏฐิซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฏฐิที่เกิดหลังๆ โดยนันระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปจัจจัยแก่ขันที่สังประโยชน์ด้วยอุปาทานโดยนันระประจัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นโมลโลภะที่วิปยุจจากทิฏฐิซึ่งเกิด ก, ก่อนเป็นปจัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดหลังๆโดยนันระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปจัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยโลภะ ซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะโดยอนันตระปัจจัย 74. สภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานและที่วิปยุจจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยอุปาทานโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดกรรกรๆๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรโคด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิที่เกิดหลังหลัง โดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุตจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดกรรกรเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปิยุจากทิฏฐิซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยขันที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่พุทธะโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล ขันธ์ที่เสหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุติจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุติจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดหลังๆโดยอนั s <S นตระปัจจัยสมณันตระปัจจัยเป็นต้น75สภาวะธรรมที่สัมปยุติด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุติด้วยอุปาทานโดยสมณันตระปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหาชาตปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระมีหกวาระเป็นปัจจัยโดยนิจยาปัจจัยเหมือนกับปัจจยวาระมีเก้า ว, วาระอุปาิจยาปัจจัยเจ็สิบหกสภาวธรรมที่สัมปยุตได้อุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้อุปาทาน โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรามณูปะนิสยาพนันตารูปะนิสยาและปกระตูปนิสยาปกระตูปะนิสยะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธิอุปาทานโดยอุปาณิสยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุทธจากอุปาทานและโลภะโดยอุปาณิสยาปัจจัย เพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจักทิฏฐิและโลภะโดยอุปาณิสยปัจจัย77สภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปะนิสยอนันตะรูปะนิสยและปะกะตูปะนิสยา ปกตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะอาศัยศีลปัญญาราคะที่วิปยุจจากอุปาทานมานะความปรารถนาะเสนาสนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสงศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะที่วิปยุจจากอุปาทานมานะความปรารถนาะ สุกทางกายพละสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิวจักอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุธทธิอุปาทานโดยอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะเธอทิฐิอาศัยศีลปัญญาราคะที่วิปิวจักอุปาทานมานะความปรารถนาเสนาสะนะ แล้วลักทรัพย์พูดเท็จพูดสอ่อเสียดพูดเพอ้อเจอ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักที่ที่ทางเปลวล่วงเกินพัญญาผู้อื่นข่าชาวบ้านข่าชาวนิคมศรัทธาเซนาชนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่สัมปยุทธิอุปาทานโมหะมานะทิฐิความปรารถนาโดยอุปาณิเสปปใจสภาวะธรรมที่วิปิวจักอุปาทาน เป็นปัจจัยแครสภาวธรรมที่จําปยุทธ์ด้วยอุปาทานและทิวิปยุทธ์จากอุปาทานโดยอุปาณิส ย, ยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยาพนังตะรูปาณิสยาและประกระตูปาณิสยาปรกระตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะอาศัยศีลปัญญาราคะทิวิปยุทธ์จาอุปาทานเสนสเนละถึงค่าชาวบ้านค่าชาวนิคม สัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจักทิฐิและโลภะโดยอุปาณิเสยปัจจัย78สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจักอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอุปาทานโดยอุปาณิเสยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจักทิฐิและโลภะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปะคุติอุปาทานโดยอุปาณิเสยปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปปิยุจากทิฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปปยุจักอุปาทานและโลภะโดยอุปาณิเสยปัจจัยเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรโคด้วยโลภะซึ่งวิปปิยุจากทิฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะ ซึ่งวิปยุจากทิฏฐิและโลภะโดยอุปนณิยียปัจใจ